รักษาใจให้มีความสงบล่มงเย็นเป็นสุขให้เป็นปกติเหมือนกับเอารถยนต์เข้าอู่เพื่ อ, เ, อเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ที่เราใช้อยู่นี้มีระยะเวลาที่เราต้องเอาเข้าอู่ เพื่อได้รับการทำนุบำรุงรักษาด้วยการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆเปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนน้ำน้ำมันชนิดต่างๆเพื่อรถยนต์จะได้วิ่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพใจของเราก็เช่นกันมีความจำเป็นที่จะต้องคอยทำนุบำรุงดูแล อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรที่จะได้เข้าอู่เข้าวัดสักครั้งหนึ่งเพื่อจะได้มาทำสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจเพราะจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตของพวกเราเพราะจิตใจเป็นที่ตั้งของความสุขและของความทุกข์ จิตใจเป็นผู้สร้างความสุขและความทุกข์จิตใจถ้าไม่ได้รับการทํานุบํารุงดูแลรักษาด้วยบุญด้วยกุศลก็จะสร้างแต่ความทุกข์สร้างแต่ความวุ่นวายใจจิตใจที่ได้รับการทํานุบํารุงดูแลรักษาด้วยบุญกุศลก็จะ สร้างแต่ความสุขให้แก่ใจทุกวันนี้พวกเราทุกคนก็มีความปรารถนาในความสุขและความเจริญด้วยกันทุกคนแต่เราต้องรู้ว่าในโลกนี้นั้นมีความสุขอยู่มีความสุขและความเจริญอยู่สองชนิดด้วยกันคือความสุขความเจริญที่ เป็นของปลอมและความสุขและความเจริญที่เป็นของจริงเพื่อมีสุขปลอมมีสุขจริงมีความเจริญปลอมและความเจริญจริงถ้าเราไม่ได้เข้าหาพระพุทธศาสนาเราจะเห็นผิดเป็นชอบเราจะไปเห็นความสุขปลอมว่าเป็นความสุขจริง เห็นความเจริญปลอมว่าเป็นความเจริญจริงแล้วสิ่งที่เราจะได้ก็คือความทุกข์ความวุ่นวายใจตามมาแต่ถ้าเราได้รับการชี้บอกจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงความสุขที่แท้จริงถึงความเจริญที่แท้จริงแล้วเราทำแต่ สร้างแต่ความสุขและความเจริญที่แท้จริงเราก็จะได้พบกับความสุขและความเจริญที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจตามมาเป็นความสุขที่ไม่มีความหิวมีความต้องการมีความอยากตามมาเป็นความสุขที่มีแต่ความอิ่มความพอนี่แหละคือความสุขที่แท้จริง ให้พวกเราดูตรงนี้เวลาที่เราหาความสุขกันเราต้องถามว่าความสุขนี้มันทําให้เราพอหรือไม่หรือยังทําให้เราอยากเพิ่มขึ้นไปอีกถ้ามันยังทําให้เราอยากเพิ่มขึ้นไปอีกเราก็ต้องพยายามอย่าไปหาความสุขแบบนั้นให้หาความสุขที่ให้ความอิ่มความพอ แก่ใจของเราความสุขที่เป็นความสุขปลอมนี้คืออะไรบ้างก็คือความสุขจากการได้ตามความอยากตามความโลภต่างๆนั่นเองเช่นความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเช่นเราอยากไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอยากไปดื่มอยากไปรับ ท, ทานอาหาร ตามร้านอาหารต่างๆอยากไปดูหนังอยากจะไปฟังเพลงความอยากแบบนี้พาให้เราได้ความสุขแต่เป็นความสุขเดียวเดียวเหมือนควันไฟควันไฟเราก็เห็นอยู่ว่ามันไม่นานมันก็จะจางหายไปหรือแต่ความว่างความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากกับการหาความสุข ทางตาทางหูจามทางหูทางลิ้นทางกายนี้ก็เช่นเดียวกันมีความสุขเดียวเดียวไปดูหนังก็มีความสุขแต่พอกลับบ้านความสุขนั้นก็หายไปอยากจะไปหาความสุขใหม่อีกดังนั้นเราต้องรู้ว่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริง พอไม่ได้ให้ความอิ่มไม่ได้ให้ความพอแต่กลับทำให้เกิดความหิวเพิ่มขึ้นมาใหม่ความสุขแบบนี้พวกเราหากันมาตั้งแต่วันเกิดแล้วแล้วเราก็ได้เสพได้สัมผัสความสุขแบบนี้มาตลอดเวลาแต่เราหยุดได้ไหนเราถึงคำว่าพอหรือ ย, อยังหรือว่า เรายังต้องหาอยู่เรื่อยๆวันนี้ยังต้องไปเที่ยวอีกหรือเปล่าพึ่งนี้ยังต้องไปเที่ยวอีกหรือเปล่านี่คือคาถามที่เราควรจะถามตัวเองถ้าเรายังต้องไปหาอีกไปเที่ยวอีกแสดงว่าเรากำลังไปผิดทางเราไม่ได้ไปทางที่นำความอิ่มความพอมาให้กับเรามีความสุขอีกชนิดหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและทรงปฏิบัติมาความสุขที่เกิดจากการให้ความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบความสุขที่เกิดจากความรู้ความเฉลียวความสุขเหล่านี้พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติและได้ทรงมาได้ทรงค้นพบ และส่งพบว่าเป็นความสุขที่แท้จริงเพราะทำให้ใจมีความอิ่มมีความพอทำให้ใจไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไร <Okay. S 1> นี่แหละคือความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงนี้อ ย, อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายกตัวอย่าง สมมุติว่าเรามีอยู่เงินอยู่ก้อนหนึ่งมันนี้เราคิดว่าเราอยากจะไปซื้อความสุขถ้าเราชอบซื้อเสื้อผ้าของฟุ่มเฟือยเราก็จะเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อเสื้อผ้าของฟุ่มเฟือยเราก็จะมีความสุขแต่คนความสุขเดียวเดียวพออีกวันหนึ่งสองวันเราก็อยากที่จะ เอาเงินนี้เอาเงินอีกก้นหนึ่งไปซื้อความสุขอีกอย่างหนึ่งไปไปดูหนังไปฟังเพลงไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในทางตรงกันข้ามถ้าเราเอาเงินก้อนนี้มาทําบุญให้ทานเช่นวันนี้นท่านก็เอาเงินก้อนหนึ่งมาซื้อข้าวซื้อของต่างๆมาทําบุญ ซื้อกับข้าวกับปลาอาหารมาถวายาพระใจของท่านก็จะมีความรู้สึกอิ่มมีความสุขมีความพอไม่ได้คิดอยากที่จะไปซื้อเสื้อผ้ามาสวมใส่เพราะมีเสือ้อผ้าเหลือเฟือพอเพียงอยู่แล้วการทำบุญให้ทานนี้เป็นเหมือนกับการให้อาหารแก่ใจ ใจจะมีความอิ่มก็เมื่อเราได้ให้ทานให้สิ่งของต่างๆที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ให้แก่ผู้อื่นหรือให้เงินให้ทองช่วยเหลือผู้อื่นที่เขาตกทุกข์ได้ยากลาบากเดือดร้อนพอเราทำไปแล้วพอเราได้ช่วยเหลือเขาแล้วใจของเราก็จะมีความอิ่มขึ้นมา มีความสุขขึ้นมาแล้วก็จะไม่ต้องไปหาความสุขทางตาหูทางจมูกลิ้นกายนี่คือความสุขที่เราควรที่จะทากันเพราะเมื่อเราได้ทาความสุขแบบนี้แล้วเราจะเห็นคุณค่าของความสงบของใจเมื่อเรามีความสงบมีความสุขด้วยการที่เรา สงเคราะห์ผู้อื่นเราก็จะมีความเมตตาเราจะมีความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่นเราจะไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นจะไม่คิดอยากที่จะเบียดเบียนผู้อื่นก็จะทำให้เราสามารถรักษาศีลได้ง่ายถ้าเราอยากจะรักษาศีลห้าเราจะรู้สึกว่ารักษาได้ง่ายกว่าตอนที่เราไม่ได้ ทำบุญให้ทานเพราะการทำบุญให้ทานนี้เป็นการคิดที่มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยากจะให้ผู้อื่นมีความสุขเมื่อเป็นดังนั้นเวลาเราจะรักษาศีลก็จะรู้สึกไม่ยากแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบุญเราชอบหาความสุขด้วยการ หาเงินหาทองเพื่อที่จะมาซื้อความสุขชนิดต่างๆเราก็จะไม่คิดถึงผู้อื่นเราก็จะคิดแต่วิธีที่จะหาเงินหาทองมาเพื่อเราจะได้มีเงินไปซื้อความสุขชนิดต่างๆเราก็จะไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นขอให้เราได้เงินมาก็แล้วกันถ้าเราต้องต่อสู้กับผู้อื่น เราก็จะต่อสู้ด้วยความโหดร้ายทารุณขอให้เราชนะเขาอย่างเดียวขอให้เราได้มาในสิ่งที่เราต้องการบางคนเมื่อมีความต้องการมากๆแม้จะต้องฆ่าเขาก็พร้อมที่จะทำเพราะต้องการสิ่งที่ตนเองปรารถนานี่แหละถ้าเราไม่คิดช่วยเหลือผู้อื่น สงเคราะห์ผู้อื่นใจของเราจะเป็นใจที่มีความโหดร้ายทารณุณเพราะเราจะมองแต่ประโยชน์ของเราเพียงอย่างเดียวเช่นเราอยากจะรับประทานเนื้อสัตว์เราก็จะไปยิงนกตกปลาโดยไม่คิดถึงว่าชีวิตของผู้อื่นนั้นมีความสําคัญมีค่าอย่างไรเราไม่มองย้อนกลับมาที่ตัวเราเองว่า ถ้าคนอื่นเขาฆ่าเราบ้างเราจะรู้สึกอย่างไรเราจะเสียดายเราจะเสียใจขนาดไหนถ้าเราต้องสูญเสียชีวิตของเราไปนี่คือเป็นเรื่องของคนที่ไม่ชอบให้ทางใจจะเป็นอย่างนั้นใจจะมีแต่ความเห็นแก่ตัวจะมีแต่ความโหดร้ายทารุณ ปาจากความเมตตากรุณาเมื่อเป็นใจเป็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่สามารถรักษาศีลได้เมื่อใจไม่มีศีลใจก็จะมีแต่ความว่าวุ่นขุนบัวที่เกิดจากการกระทําผิดการกระทําที่ไม่ดีเช่นไปเบียดเบียนผู้อื่นใดก็จะมีความกังวลกลัวว่าจะถูกเขาตามมา รางแค้นตามมาถ่วงนี้ <Yeah. S 1> นี่แหละคือโทษของการไม่ทำบุญให้ทานแล้วก็ทำให้ไม่สามารถรักษาศีลได้ <Yeah. S 1> ก็จะไม่สามารถอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขได้ใจจะเป็นเหมือนวัวสันหลังหวะจะมีความหวาดกลัวตลอดเวลายิ่งถ้าไปอยู่ตามสถานที่เปลี่ยว จะมีความหวาดกลัวมากไม่กล้าอยู่คนเดียวไม่กล้าอยู่ในที่มืดเพราะมีความกลัวเกิดจากการที่ได้ไปทําบาปทํากรรมไว้นั่นเองในทางตรงกันข้ามถ้าใจคอยทําบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆคอยสงเคราะห์ผู้อื่นอยู่เรื่อยๆใจก็จะไม่มีความหวาดไหวไม่มีความหวาดกลัว ต่อการกระทาของตนเพราะการกระทาของตนนั้นมีแต่ให้ประโยชน์ให้ความสุขแก่ผู้อื่นใจจึงอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะอยู่คนเดียวในป่าในเขาก็จะไม่มีความหวาดกลัวต่อสิงสาราสัตว์ต่อพูดผีปีศาจเพราะใจไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใคร มีแต่แผ่เมตตามีแต่ความปรารถนาดีต่อสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเดรัจฉานหรือผู้ผีเทวดาผู้ที่มีความเมตตาใจบุญใจกุศล จ, จึงอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขท่านทรงตรัสไว้ว่าคนที่มีเมตตานี้ตื่นก็มีความสุขหลับก็มีความสุขเวลานอนหลับ ก็ไม่ฝันร้ายจะไม่มีใครมาปองร้ายทำร้ายจะไม่ตายด้วยอาวุธต่างๆจะไม่ตายด้วยยาพิษต่างๆเพราะว่าไม่ได้ไปสร้างบาปสร้างกรรมสร้างความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทให้แก่ผู้อื่นนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนั้นผู้อื่นก็จะไม่คิดทําร้ายหรอก นี่คือเรื่องของการดูแลรักษาใจของเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลแล้วถ้าเราเห็นว่าการ ก, การมีจิตใจที่สงบนี้เป็นความสุขเราก็จะอยากจะมีความสุขมากขึ้นเราก็จะสนใจต่อการบำเพ็ญจิตตะภาวนา หรือการนั่งสมาธิหรือการปฏิบัติธรรมเพราะเราจะทราบว่าการทำจิตใจให้สงบนี้เป็นความสุขยิ่งกว่าความสงบที่ได้จากการรักษาศีลที่ได้จากการทำบุญให้ทานความสุขที่เกิดจากการให้ทานนี้ถ้าเปรียบเทียบกับเงินก็เป็นเหมือนแบงก์20่ส ส่วนการรักษาศีลก็เป็นเหมือนแบ่งร้อยแต่ส่วนการนั่งสมาธินี้ก็เป็นเหมือนแบ่งห้าร้อแล้วถ้าเจริญปัญญาวิปัสนาได้ก็เป็นเหมือนแบ่งผันในความสุขทานธรรมะก็มีต่างกันมีกำลังมากน้อยต่างกันถ้าทําให้ทานอย่างเดียวก็เหมือนได้เงินสิบเงินยี่สิบบาทมา ถ้ารักษาศีลก็เหมือนได้เงินร้อยมาถ้านั่นสมาธิได้ก็เหมือนได้เงินห้าร้อยมาถ้าเจริญปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์อนิจจทุกขังอนัตตาจนปล่อยวางได้จงตรงได้ก็จะได้เงินเป็นร้อยเป็นพันมาได้ความสุขในระดับพันมานี่คือความสุขชนิดต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราพยายามสร้างกันให้มากพยายามหากันให้มากให้หาทรัพย์ภายในหาเงินภายในหาทานหาศีลหาสมาธิหาปัญญาเพราะนี่จะเป็นทรัพย์ที่แท้จริงของเราจะอยู่กับใจไปตลอดเวลาถึงแม้ร่างกายนี้จะแตกสลายไปแต่ทรัพย์ที่เรา หามาได้ภายในใจของเรานี้จะไม่หายไปหมดไปเหมือนกับทรัพย์ที่เราหามาภายนอกเงินทองที่เรามีอยู่มากน้อยเพียงไรพอร่างกายนี้ตายไปแล้วเงินทองนั้นก็ไม่สามารถเอาติดตัวไปกับใจได้เพราะว่าใจเป็นนามธรรมาส่วนเงินทองนี้เป็นรูปธรรมเป็นวัตถุเป็น เป็นของที่อยู่กับกายเป็นสมบัติของกายเมื่อกายไม่สามารถอยู่ได้แล้วสมบัติของกายก็จะกลายเป็นสมบัติของผู้อื่นไปต่อให้หามาได้มากน้อยเพียงไรก็ตามพอร่างกายนี้แต่ดับไปแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์นี้ก็ไม่ได้เป็นของเราเอีกต่อไปแล้วเราเอาติดตัวเราไปไม่ได้ สิ่งที่เราติดตัวไปได้ก็คือทรัพย์ภายในเงินทองที่เราสร้างขึ้นมาภายในใจด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาจะไปกับเราและจะเป็นเหมือนตั๋วเรือบินที่จะพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางชั้นต่างๆชนิดต่างๆ ถ้าเราให้ทานกับรักษาศีลเราก็จะได้ตั๋วไปสวรรค์ไปเป็นเทพเป็นเทวดาถ้าเรามีสมาธิด้วยเราก็จะไปสวรรค์ชั้นพรหมสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งถ้าเรามีปัญญาด้วยเราก็จะไปขั้นอริยมรรคอริยภพจะได้ไปเกิดเป็นพระโสดาบันพระสตรการสกิดาคามี พระอน า, าคามีและพระอาหารหันต์นี่คือตั๋วเรืบินที่พวกเราสามารถซื้อกันได้ในวันนี้ถ้าเรามีความศรัทธามีความเชื่อว่าเรื่องที่กำลังได้ยินได้ฟังอยู่นี้เป็นความจริงถ้าเราเชื่อเราก็ควรที่จะหันมาหาทรัพย์ภายในกัน อย่าไปเสียเวลากับการหาทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกหาพอเท่าที่จำเป็นก็พอคือทรัพย์ภายนอกเราก็ต้องมีเพื่อเราจะได้มามีปัจจัยสีที่จำเป็นต่อร่างกายคือเราต้องมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่งหม่มมีอาหารและมียารักษาโรคถ้าเรามีพอเพียงแล้วเราก็ ควรที่จะหยุดหาได้แล้วและควรที่จะหันมาหาทรัพย์ภายในด้วยการเอาทรัพย์ภายนอกที่เรามีเหลือเฟืออยู่นี้มาแปลงเป็นทรัพย์ภายในเช่นเราเอาเงินวันนี้ไปซื้อข้าวซื้อของซื้อกับปลากับข้าวกับปลาอาหารขาวหวานต่างๆมาถวายพระอย่างนี้เรียกว่าเป็นการแปลงทรัพย์ภายนอกมาให้เป็นทรัพย์ภายใน ทุกครั้งที่เราทำบุญให้ทานเรากำลังสะสมทรัพย์ภายในให้แก่ใจของเราแล้วทุกครั้งที่เรารักษาสิ่งเราก็จะเพิ่มทรัพย์ภายในให้มีมากขึ้นทุกครั้งที่เรานั่งทำสมาธิทรัพย์ภายในก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วทุกครั้งที่เราเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขได้อะไรมาแล้วก็ต้องทุกกับสิ่งที่เราได้มาได้ของก็ต้องมาทุกกับข้าวของต้องคอยดูแลรักษาต้องมาร้องห่มร้องไห้เวลาที่สูญเสียมันไป แล้วต้องพิจารณาว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราได้ตลอดเ <miş> ช่นร่างกายของเรา <Mỹ> เราไม่สามารถบังคับให้เป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดได้วันนี้เป็นหนุ่มเป็นสาวอีกไม่นานก็ต้องกลายเป็นคนแก่ไปพอเป็นคนแก่ไปแล้วอีกไม่นานก็ต้องกลายเป็นคนตายไปไม่มีใครบังคับได้เป็นเรื่อง กฎของธรรมชาติเป็นอย่างนี้ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติของร่างกายถ้าใจไม่มีปัญญาใจมีความหลงก็จะเกิดความอยากให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆอยากให้ร่างกายนี้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วอยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ถ้าแก่ก็ขอให้แก่ช้าๆอย่างนี้เป็นต้น พอมีความอยากแบบนี้แล้วใจก็จะกระวลกวยจะวุ่นวายจะมีความหวาดกลัวมีความวิตกกังวลเพราะเราอยู่ในโลกที่เสี่ยงต่อภัยอันตรายต่างๆเวลาเราขับรถเราก็ไม่รู้ว่าจะถึงบ้านหรือไม่จะไปจอดแวะที่โรงพยาบาลก่อนหรือจะไปแวะที่วัดเราก็ไม่รู้เพราะว่าชีวิตนี้เป็นเหมือนแขวนไวบ้บญเส้นด้านั่นเอง ไม่มีใครรู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ว่าจะต้องเข้าโรงพยาบาลเมื่อไหร่เกิดขึ้นได้กับทุกคนเกิดได้กับทุกวันทุกเวลาถ้าเราไม่เตรียมพร้อมไม่ยอมรับความจริงอันนี้ใจของเราจะมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความหวาดวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรายอมรับความจริงว่ายังไงยังไงเราต้องเข้าโรงพยาบาลแนะ่ ยังไงยังไงต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแน่แยังไงยังไงต้องตายแน่ๆถ้าเราพร้อมที่จะรับกับเหตุการณ์นี้แล้วใจของเราจะไม่เดือดร้อนเลยไม่ว่าวันจะเกิดขึ้นหรื อ, อยังขณะที่ไม่เกิดก็ไม่เดือดร้อนไม่กังวลพร้อมที่จะให้มันเกิดแต่ถ้าไม่พร้อมแล้วมันก็จะวุ่นวายใจอยู่ตลอดเวลานี่คือบุญอันสูงสุดเนี่ย คือการเจริญปัญญาเพื่อยอมรับความจริงว่าเราเกิดมาเรามาตัวเปล่าๆแล้วเราก็จะไปตัวเปล่าๆ เ, เราไม่ได้เอาอะไรติดตัวเรามาและเราจะไม่สามารถเอาอะไรติดตัวเราไปได้ร่างกายนี้เราได้มาจากพ่อจากแม่ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรามันเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งเท่านั้นเองใจไม่ใช่ร่างกาย ใจเป็นผู้มาเป็นเจ้าของใจเป็นเหมือนคนขับรถรถไม่ใช่ใจรถไม่ใช่คนขับคนขับมีเงินก็ไปซื้อรถมาขับพอรถพังคนขับก็ซื้อรถใหม่ได้ใจก็เป็นอย่างนี้ใจถ้าพอร่างกายตายไปใจก็ซื้อร่างกายอันใหม่ได้ขึ้นอยู่ว่ามีเงินจะซื้อหรือไม่เท่านั้นเองเงินของใจก็คือบุญกุศล ที่ได้พูดถึงเมื่อกี้นี้เองคือบุญที่เกิดจากการให้ทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการภาวนานี่แหละเป็นเงินทองของใจถ้าใจยังไม่ใจยังไปไม่ถึงพระนิพพานยังไม่ไปหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดใจก็จะเวียนว่ายตายเกิดในภพที่ดีได้ร่างกายที่ดี ถ้าอยากจะเป็นมนุษย์ก็ได้ร่างกายของมนุษย์ที่สวยงามผิวพรรณผ่องใสมีอาการครบสาสิบสองไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนถ้าอยากจะเป็นเทวดาก็ได้เป็นเทวดาอยากจะเป็นพรหมก็ได้เป็นพรหมอยากจะเป็นพระอริยเจ้าก็ได้เป็นอริยเจ้าเพราะเรามีเงินที่จะซื้อสิ่งเหล่านี้นั่นเอง คือบุญกุศลเหมือนกับคนขับรถที่มีเงินที่จะซื้อรถจะเลือกรถชนิดไหนก็ได้จะซื้อรถติ๊กอัพก็ได้ซื้อรถเก๋งก็ได้ซื้อได้ทุกชนิดซื้อรถบัสก็ได้ซื้อรถตู้ก็ได้ถ้ามีเงินสักอย่างอยากจะซื้อรถชนิดไหนก็ซื้อได้ใจของเราก็เหมือนกันอยากจะได้พบชาติชนิดไหนก็เลือกได้ถ้าเรามีเงินที่จะเลือก เงินของเราก็คือการทำบุญให้ทานการรักษาศีลถ้าเราทาเพียงสองอย่างทำบุญให้ทานและรักษาศีลเราก็จะเลือกได้เพียงภพของเทวดาหรือภพของมนุษย์แต่ถ้าเราทำสมาธิด้วยเราก็จะเลือกภพของผู้ของพรหมได้แล้วถ้าเราจเจริญวิปัสสนาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา ตรงอนิจจังทุกขังนัตตาอยู่ตลอดเวลาเราก็จะเลือกพบของพระอริยเจ้าได้เลือกเป็นพระโสดาบันได้เป็นพระสะกิทาคามีไดเป็นพระอน า, าคามีไดหรือเป็นพระอาหารหันต์ก็ไดหรือเป็นพระพุทธเจ้าก็ไดอยู่ที่การสร้างบุญสร้างกุศลของใจเหล่านี้เองเช่นพระพุทธเจ้าของเราในทุกภพทุกชาติก่อนที่พระองค์จะ มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ก็ทรงสะสมทรัพย์ภายในอยู่ตลอดเวลาทรัพย์ภายในของพระพุทธเจ้าก็คือทานบารมีศีลบารมีเนคขมมะคือการออกบวชการออกจากกา ม, มสุขเนคขมมะบารมีวิริยะบารมีขันติบามีเมตตาบารมีปัญญาบารลี อุเบกขาบารมีอธิษฐานบารมีนี่คือบุญหรือทรัพย์ภายในที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสะสมมาไว้พอพระองค์มีเต็มที่แล้วก็สามารถซื้อพระพระนิพพานได้สามารถซื้อพระพุทธเจ้าได้เหมือนพวกเราวันนี้สมมุติว่าเรายังมีเงินไม่พอเราอยากจะซื้อลถเแบน ก็ขอให้ทำงานเก็บเงินเก็บทองเอาไว้เรื่อยๆเก็บสะสมไปได้เรื่อยเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็จะได้เงินพอที่จะซื้อรถเบน์ได้มันไม่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะซื้อรถเบน์ได้อยู่ที่ว่าจะมีความขยันหาเงินหรือไม่มีความอดทนที่จะเก็บเงินเก็บทองเอาไว้เพื่อที่จะซื้อรถเบนนี้หรือไม่เท่านั้นเอง ถ้ามีแล้วรับรองได้ว่าไม่นานก็จะซื้อรถเป็นได้เช่นเดียวกับภพบชาติต่างๆถ้าเราอยากจะไปสวรรค์เราก็ไปได้เราอยากจะไปเป็นพรหมเราก็ไปได้เราอยากจะไปเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าเราก็เป็นได้ไม่มีใครทําให้เราได้เราต้องทําให้ตัวเราเองไม่มีใครทําแทนพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าต้องทําเอง ทุกคนต้องทำเองเท่านั้นแต่ทุกคนสามารถทำได้และจะได้ผลที่น่าปรารถนาอย่างยิ่งเพียงแต่ว่าในขณะนี้เรายังเป็นขอทานอยู่หรือเรยังเป็นคนยากจนในทางในทรัพย์ภายในอยู่ขอให้เราหมั่นมาสร้างทรัพย์ภายในกันให้เกิดขึ้นให้มากเถิดทุกวันเสารว์วันอาทิตย์หรือวันพระขอให้เรามาวาดกัน แล้วถ้าเรามีเวลามากกว่านั้นเราอยากจะมาบ่อยกว่านั้นก็ได้บางท่านมาวัดทุกวันเลยอย่างน้อยมาใส่บาตรทุกวันไม่ขาดเลยถ้าไม่ได้มาวัดนี้ก็ไปใส่ที่วัดอื่นไม่ยอมขาดเพราะเขามีความแน่วแน่มีความตั้งใจที่แน่วแน่มีสัจจะมีความจริงใจต่อความตั้งใจตั้งใจว่าจะทำบุญให้ทานทุกวัน จนกว่าจะชีวิตจะหาไม่อย่างนี้บุญก็ต้องมีมากขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับเราตั้งใจที่จะเอาเงินเข้าธนาคารทุกวันถ้าเราเอาเงินเข้าธนาคารทุกวันรับรองได้ว่าทุกเดือนเงินยอดยอดเงินจะต้องมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีลดน้อยถอยลงไปอย่างแน่นอนมีแต่จะเพิ่มขึ้นไปมากๆจนกลายเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาได้อยู่ที่การ สร้างไม่ได้อยู่ที่การทําลายเราต้องสร้างบุญสร้างกุศลอย่าไปทําลายบุญกุศลด้วยการไปทําบาปทํากรรมด้วยการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปกินเหล้าเมายาไปเล่นการพนันนี่เป็นการทําลายบุญกุศลถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกภพชาติได้เราจะต้องถูกยัดเยียดภพชาติที่เราไม่ปรารถนา เหมือนคนที่ไปทำผิดกฎหมายไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานที่อยู่ได้จะต้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปขังในคุกในตารางเท่านั้นเองคุกตารางของใจคืออะไรก็คืออบายนั่นเองคือภพของเดรัจฉานภพของเปรตภพของสัตว์นรกนี่คือที่ไปของผู้ที่ทำลายบุญกุศลผู้ที่ไม่สร้างบุญสร้างกุศล ของผู้ที่สร้างบาปสร้างกรรมจะไปที่ตรงนั้นจะต้องถูกเขาจับไปเข้าคุกเข้าตารางในนรกจับไปเกิดบังคับให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานบังคับให้ไปเกิดเป็นเป็นผีเป็นเปร <c oughs> ใครเป็นผู้บังคับละ่ะก็คือกรรมนี้เองกรรมนี่แหละเป็นเจ้ากรรมนเวรของเราการกระทําของเรานี่แหละเป็นเจ้ากรรมนเวรของเราไม่มีเจ้ากรรมนายเวรที่ไหนที่จะมา ทำเราได้นอกจากตัวเราเองถ้าเราทำบาปทำกรรมแล้วเราก็จะสร้างเวรสร้างกรรมให้กับเราไม่มีใครมาสร้างเวรสร้างกรรมให้กับเราได้ถ้าเราไม่ทำบาปทำกรรมทำแต่บุญทำแต่กุศลอย่างเดียวรับรองได้ว่าจะไม่มีเจ้ากรรมนายเวรมาจองเวรจองกรรมอย่างแน่นอนตัวเราเองเป็นผู้สร้างเจ้ากรรมนายเวรขึ้นมา เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการที่มีเจ้ากรรมนายเวรมาจองเวรจองกรรมก็ขอให้เราอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมให้สร้างแต่บุญสร้างแต่กุศลให้สร้างแต่ทรัพย์ภายในเถิดแล้วเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงเราจะได้พบกับความเจริญที่แท้จริงจึงขอฝากเนื่องของการมาวัดเพื่อมาทำนุบำรุงจิตใจด้วยบุญด้วยกุศล เพื่อสร้างความสุขและสร้างความเจริญที่แท้จริงให้แก่ใจนี้ให้ท่านได้นำไปพินิษ์พิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณภศิรตนาตรายและบุญคุณศนที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุต็นตัจใจ ให้ท่านได้มีแต่ความสุขและความเจริญที่แท้จริงโดยทั่วหน้ากันเธอ